พระบัญญัติ799ก็ภิกษุณีใดให้ถอนคนในที่แคบต้องอบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุณีชัพพะคีจบ